จิตใจนะามวของพระพุทธเจ้าทาตามที่พระองค์บอกพระองค์สอนรักษาจิตของเราไว้จิตของเรามันก็มีพวกสัญญามันถึงเป็นนึกหนึ่งนมีน่งมาแล้วก็สัญญาก็ส่งให้สังขารปรินแ่งสังขารก็มีเวทนาเข้ามารู้สึกสุขบางทุกข์บ สบายบ้างไม่สบายบ้างวิญญาณก็ไปรับรู้ส่งต่อกันไปอยู่เนี้ยก็มีผลต่อร่างกายด้วยร่างกายก็ยมีผลต่อจิตเนี่ยรูปขันเวทนาขันสัญญาขันรงังขานขันวิญญาณขันนี่แหละท่านบอกกองกองทุกข์ถ้าไม่มาลูสภาพตามธรรมตามความเป็นจริงเหล่านี้จิตมีนเป็นหลง ที่ต้องมาดูมันที่จะดูได้มันต้องชํารวมจิตซะก่อนเอาจิตกลับเข้ามาธรรมชาตินี้จิตนี่มันไหลออกไปข้างนอกไหลออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทากลับจิตเราไว้ก่อนม่ให้ไปมันไม่ให้ไ ป, ไ ม, ไ ม, ไปมันก็หยุดอยู่แมวเอาเรื่องเราข้างนอกเข้ามากุมลุงจิต เรื่องราวขอน้อทะเข้ามาก็คือเข้ามาทางตาบงหงชิีพลิ้งกายใจเนี่ยมันก็มีอยู่เนี้ยมันก็เลยมีแต่เรื่องเก่าๆแบบเก่าตาไปเห็นเามาคิดหูได้ยินเสียงเขามาคิดจมูกได้กลิ่นลิได้รสกายทุกต้องสัมผัสใจเรื่องราวภายในจิตใจนึกขึ้นมาแล้วก็ทบจิตตัวเองนี่มีอยู่แท่เนี้ยชีวิต แดล้อมมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันถ้าเห็นจิตจริงๆนะมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วมันก็ยุ้ขึ้นมารู้รู้แล้วก็เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้วจะเปมีเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาจิตก็ทำงานอยู่แบบนี้ มันมีแค่นี้มันไม่ได้มีเรื่องแต่มันมีเรื่องราว่าตัวตนของเราที่มันแทรกอยู่ข้างในเห็มันมันไ ม, ไม่เป็นธรรมชาติมันไม่ปล่อยวางให้มันดำเนินไปตามธรรมชาติมันมีตัวตนแทรกซ้อนอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดที่เรียกอัตตาอัตตา อัตตานี้มันก็ออกไปเปรียบเทียบออกไปเปรียบเทียบคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้เล่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอัตตามันก็เหมือนไม่อบอุ่นเหมือนกับตัวตนเนี่ยมันจะไม่สําคัญตัวตนเนี่ยมันจะไม่มีความสุขตัวตนเนี่ยมันจะทุกข์ทรมาน มีอัตตาขึ้นมาสัหน่อยพองขึ้นมาหน่อ ย, ยดูว่าเออมันจะอบอุ่นใจใมีตัวเติมสัหน่อยหนึ่งมีตัวกูเข้าไปหน่อยหนึ่งมีตัวฉันหลอกเราต้มเราทำดีขอพรเป็นสิ่งควรทำทำแล้วมันมีคุณค่ามีประโยชน์ ต่อจิตใจตัวเองด้วยต่อคนอื่นด้วยไม่ใช่เอามาเพื่อให้มีอัตตาตัวตนเพื่อความหลงเพิ่มพูนขึ้นต้องได้กำลาบมันอยู่เรื่อยนะไอ้ตัวจิตเราเนี่ยไอ้พวกมานมันก็เก่งนะมันก็รู้จุดอ่อนด้วยนะใครมีจุดอ่อนตรงไหนมันผักเข้ามาเรื่อยเลยนะ เพื่อเรื่องจะข้องำเขาเราละตรงนั้นไม่ได้มันจะคอองำเราอยู่ตอลอดเลยเลกก็จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวทีนีแต่ถ้าลองเห็นหน้าเห็นตามันผ่านมันไปอ้โหยหลงอยู่ได้ตั้งนานบางทีนิดเดียวเนี่ยความอะไรอาวรมันเยอะมากเลยนะ น, น, นั่นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านถึง คือว่าท่านทอพระไทยท่านคนขวายน้อยอะ่ะคนขวายน้อยก็คือทนอะไปสอนมันจะลำบากนะคนเขาอะไรเคิดเผยอยู่กับอะไรยินดีอยู่กับอะไรพอใจอยู่กับอะไรท่านว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะหลังจากที่ตัดสินแล้วมันเกิดขึ้น มันไปเห็นเนี่ยเห็นกิเลสเห็นความลุ่มหลงเราก็เห็นว่าจิตเนี่ยมันละเอียดอ่อนถ้าใครไม่ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมเนี่ยมันจะเอาจิตตัวเองม่อยู่แล้วก็ตัวจิตตัวเองมันก็ไปสร้างปัญหาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของจิตตัวเองสุดท้ายก็ต้องมาดูตัวเอง มาอยู่กับตัวเองมาอยู่ก็ต้องอยู่แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าจิตของเรามันอยู่ยังไงมันมีเรื่องราวอะไรที่มันค้างคาอยู่ในจิตใ จ, ใจมีไหมหรือว่าไม่มีอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้า สอนสอนให้ปฏิบัติท่านก็สอนพระก็สอนเหมือนกันสอนโยมก็สอนเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็หมายว่าผู้ที่เห็นภายในวัฏฏสงสารทั้งพระทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่แวดล้อมอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอไม่ฉลาดในวาและจิต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 ถ้ารู้อย่างนี้มันมันจิตมันจะมีกําลังเหมือันมันเมือมันถอยมาตั้งหลักมันถอยออกมาแทนที่มันจะไปจมเนี่ยไอ้เกิจิตในแทนที่มันจะไปจมอยู่กับไอเวทนาไอทีนามิธานมันเหมือนจิตมันถอยออกมาเมื่ยจิตที่มีกําลังมันต้องถอยออกมาดูไม่จะไปจมในสมาธิก็เหมือนกันสงบแต่จมอยู่ความสงบนี่ ไอ้นี่ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็พักสบายแต่ว่ามันปัญญามันมันไม่เก้าหนาคือไม่สามารถใช้สมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาได้ต้องให้จิตเนี่ยมันเป็นผู้ดูถอยออกมาดูตั้งใจดูเนี่ยอาถ้หาว่าใครทำได้แสดงว่าจิตมีกำลังแล้วดูไอ้เัวจิตมันเป็นผู้ดูขณะที่มันดูนี่ มันเป็นตัวของตัวเองงั้นมันมีกําลังของตัวเองเป็นอิสระอารมณ์ทั้งหลายไม่สามารถครอบงํา ม, มันได้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้พอรู้ปั๊บเนี่ยหมยว่าจิตเรามีแยกออกจากอารมณ์แล้วถ้าจิตปันแยกออกมาได้เนี่ยจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อย่างเจ็บปวดอย่างเนี่ยมันก็ถอยมาดู เราตั้งท่าดีเลยเจ็บมันก็เป็นเรื่องของเวทนาไปเจ็บก็อยู่ที่ร่างกายไปเจ็บก็ไม่ใช่เราไปความจริงมันไม่ไปปรากฏกับกจิตเราละเอียดเข้าไปอีกอารมณ์ที่อยู่ในจิตอารมณ์ที่มาครอบนงนจิตเช่นพวกยาบาทพวกความโกรธพวกความไม่พอใจปฏิฆะทั้งหลายหรือว่าความชิเศร้าความเศร้าโศกความ เศามองความน่วงความสงสัยเนี่ยอาการของจิตหมดไม่ใช่เราแต่มันเป็นความรู้สึกชัว่วคราวเป็นอารมณ์ที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเหมือนมีอะไรปุ๊บปับเข้ามามันก็จะเล่นเนีย่ยตั้งท่าสงสัยหละ่ะจิตอะไรนะมันก็เป็นธรรมดาแต่ให้เรารู้มันจะไปห้ามมันรู้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 อยากมากก็ไปยึดเอาเอารมณ์ที่มันอยากต้องการนั้นเอาไว้ในจิตเป็นตัวเราเป็นของเราเราลองเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทํางานของจิตอ่ะหน้าที่หลักของเราคืออะไรอ่ะสติรักษาจิตไว้เพียรก็เพียรมีสติเพียรรักษาจิตเพียรอบรมจิตสอนจิตให้มันเข้าใจ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 สงบรู้ว่าสงบเนี่ยมาดูอยู่ดูอยู่หรือว่เป็นสมาธิไม่ติดสมาธิอย่างเนี้ยะไรเราจะขึ้นก็รู้เกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงต่อมาจิตเรามีอะไรเข้าไปครอบคุมมันก็รู้ปฏิยาของจิตเกิดขึ้นแล้วถ้าเราทันมันเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ปรุงต่อมันก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยมันปุงไปตั้งเยอะตังเยอะ แต่กลายเป็นเหล่าเลยหลงไปํามันเลยอ่ะพอหลงแล้วก็เป็นเหล่าแบบชนิดที่งอตบงอปั๊มเลยนะที่นี้เชื่อมันแบบเอาเป็นเอาตายเลยอ่ะทีจริงมันมันมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันมันมันแค่ตาเห็นบ้างได้ยินเสียงบ้างมีอะไรกระทําใจมันปรุงขึ้นมาบ้างเรื่องราวภายในจิตกระทบเข้ามา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 ปุงไตวนไปเวียนมาเรื่องเราก็มากมายคิดปุงไปกว้างขวางก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวาอยู่ด้วยซี่ชีวิตทุกคนเราอ่ะมันทุกข์พราจิตเรานี่เองเนี่ยพรจิตไม่รู้มันยังมาที่ตัวไม่รู้เพราะนั้นเราต้องสอนจิตให้รู้นี่พุทธเจ้าจิง ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเลือกเลยเลือกนี่เพื่อเรียกความสนใจมาให้หันมาฟังธรรมของพระองค์ถ้าเธอไม่ฉลาดในวรรจิตของคนอิจฉาให้มาฉลาดในวรรจิตของตนจิตเป็นยังไงก็ให้รู้เนี่ยไม่จิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นไม่ให้จิตสมาธินะพูดอย่างนี้เลยนะจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตสงสัยกรู้ว่าจิตสงสัยเพราะนั้นเราก็เลยจิต ของเราตอนนี้มันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงบางทีอาการของจิตมันไม่มีมันก็ดูอย่างอื่นได้เพราะว่าจิตมันก็อาศัยกายอยู่อันไหนเด่นขึ้นมาก็ดูอันนั้นได้ทีนดูกายว่างเวทนาก็ได้จิตก็ได้มันวางไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันรู้ขึ้นมาก็รู้มันรู้มีแสดงว่าสติดี อะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันมันก็ไม่หลงไม่หลงมีนเป็นวิชาอะไรเนี่ยคือวิชามันจะเกิดอวิชชาจะเกิดก็เกิดเป็นนี้แต่แมันอยู่เฉยมันยังไม่มีอวิชชาหมายความันนอนเนื่องเหมือนอย่างนี้เกิดมันคอยโอกาสคอยเวลาอยู่เผอเมื่ อ, อไหร่อ่ะตัวเติมก็เกิดขึ้น เพราะนั้นถึงว่าตัวเตนมันเกิดขึ้นชั่วคราวความหลงมันก็เป็นคร า, าวๆอวิชาก็มาเป็นคร า, าวๆไม่ได้อยู่ตลอดเพราะนั้นถ้าเรามีสติอยู่มันก็เป็นวิชาเรื่อยไปอวิชาก็เข้ามาไม่ได้อย่าให้หลับนะอย่าให้จมดูให้ได้นี่หลักธรรมของโมพุธเจ้าสงบไปรืสง บ, งสงบตัองรู้รู้ตลอด ที่อะไรเราก็รู้กันหมดแล้วทีนี้ก็ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มันเกิดประโยชน์เอาให้นั่งปฏิบัติใตดูตัวไหมดูตัวไหมดูตัวไว้นะอะไรเกิดขึ้นบ้าง กา ย, ายมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไหมเวทนามีไหมมีในจิตเราดูเฉยๆได้ไหมจิตเป็นผู้ดูได้ไหมหรือบางทีมันไปคุกก็มีนะมันไปคุกเข้ากับอารมณ์คุกเข้ากับเวทนาช่วงมันคุกเนี่มันกาลังทำงาน ก็ต้องปล่อยมันคุกไปก่อนควรมีกําลังกระถอยออกมาได้ห่างออกมาได้บางทีเหมือนจิตมันเหมือนค่อยๆถอยห่างออกมาห่างออกมาก็คือว่าจิตมันวางมางวีธนาวางอารมณ์ทั้งหลายจิตก็เป็นอิสระได้ตั้งสติดีๆนะเดี๋ยวเราจะหยุดแล้ว ให้ตื่นตัวตื่นตัวตื่นตัวก็คือมายรู้ตัวอยู่รู้อยู่รู้เลยอยู่กับจิตได้ไหมให้จิตเราเนี่ยเป็นผู้ดูถ้าใครเห็นจิตรู้ว่าจิตเป็นผู้ดูได้มีก่อนแสดงว่าจิตมันมันกำลังมันมภูมิทํา มันเริ่มเป็นอิสระและ้วมันเริ่มปล่อยวางอารมณ์เป็นปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายได้จิตมันก็นเลยเป็นอิสระเป็นจิตได้จึงเห็นจิตแล้วก็รู้เข้าใจว่าจิตเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นอารมณ์ข้างนอกก็กลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตัอนะสอนตัวเองสนะอน ต, ตัวเองได้เนืมีอยู่ในสูมนรมนุิยการแสดงว่าเริ่มพึ่งตัวเองได้แนละ้วถ้าสอนแล้วจิตของเรามันเชื่อธรรมะที่เราสอนมีแสดงว่าสอนตัวเองได้เราสามารถเอาธรรมะหรือเอาความจริงมาสอนจิตเรามาบอกให้จิตเรารู้ ให้จิตเราดูดูแล้วก็รู้แล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมานี่เราเรียก ว, ว่ามันเริ่มมีธรรมะแล้ว